คนจะมีสิทธิ์พ้นทุกเริ่มจากการไม่สร้างทุกข์ให้คนอื่นไม่ใช่เริ่มจากการปฏิบัติธรรมแนวไหนคนคิดปฏิบัติธรรมมาคุยกันว่าปฏิบัติแบบไหนถูกปฏิบัติแบบไหนผิดแต่ไม่ค่อยเน้นคิดสำรวจว่าปฏิบัติตัวแบบไหนผิดปฏิบัติตัวแบบไหนถูกถ้ายังปฏิบัติตัวผิดไม่มีทางปฏิบัติธรรมถูก เพราะทิฏฐะยังปฏิบัติอธรรมอยู่ตังหากถ้าอย่างจงใจให้ร้ายทำลายใครหรือให้ทุกข์แก่ท่านนึกว่าทุกนั้นไม่มีวันถึงตัวนั่นแหละเรื่องชี้ว่ายัางปฏิบัติตัวผิดโอกาสปฏิบัติทำถูกจึงเป็นศูนย์จงใจสร้างความทุกข์ให้คนอื่นไม่มีทางหยุดวงจรทุกข์ให้ตนเอง ถ้าคิดจะเจริญสติจริงจึงต้องถือศีลให้ได้สติเพื่อรู้ความจริงข้อนี้ให้ได้ก่อนศีลที่แท้คือจิตที่ผ่องแผ้วไม่เอาทุกข์หยาบๆยาบคือจิตที่ไม่อยากหาเรื่องร้อนๆใส่ตัวคือจิตที่ไม่อยากโยนเรื่องร้อนๆใส่ใครเมื่อรักษาศีลได้ย่อมอยู่เย็นมีสติรู้ว่าไม่ให้โทษแกเขา เราเองก็ไม่ต้องรับโทษไปด้วยไม่ต้องพลุงพลานโอลมมนไม่มีเมฆหมอกบดบังทัศนวิสัยทางจิตคิดอะไรได้ตรงเห็นอะไรได้ตรงรู้เข้ามาในกายใจได้กระจ่างไม่ติดขัดศีลที่แท้เป็นฐานให้ใจเย็นเมื่อดูลมหายใจก็เห็นได้นานพอจนรู้ชัดว่าลมหายใจไม่เที่ยงมีเข้ามีออกมียาวมีสั้น เมื่อดูสุขดูทุกข์ก็เห็นได้ชัดเจนทุกอยู่กี่ลมหายใจก็รู้ไม่ใช่ทุกแล้วหมวัวแต่อยากแก้แค้นสุขอยู่กี่ลมหายใจก็รู้ไม่ใช่สุขแล้วหมวัวแต่หวงแหนไว้ศีลที่แท้ชวนเราสํารวจใจเรื่อยๆว่ายัางให้ทุกข์กับใครอยู่หรือเปล่าพัวพันกับภัยเวรอยู่หรือเปล่ากําลังปฏิบัติตัวถูกอยู่หรือเปล่า จนยิ่งวันยิ่งทราบชัดแก่ใจว่าเมื่อปฏิบัติตัวถูกอยู่ทาก็ปรากฏชัดให้ปฏิบัติต่อตรงนั้นแล้ว